มันจะอยู่บ้านตัดหลายปีใช่ไคเกือบเก้าปีแปดปีครึ่งประมาณเก้าเปอร์เนอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเปิดแล้วใช่ไ่ะ เดือดไมโครโฟนไมโครโฟนตรงนี้ใช่แล้วหลวงตาก็เคยมาพักที่นี่อ่ะเนาะเคยมาท่านหนึ่งแต่นานแล้วตอนนั้นหลวงตาท่านเคยมาพักปฏิบัติอยู่ที่แถวพัทยาอืสวนปฏิบัติกรรมฐานวัดช่องรมแล้ววันนั้นหลวงตาท่าน ะั้นท่านหัวใจทาไม่ค่อยดีวนนั้นหัวใจมันกำเริบอะไรนน่งท่กนเลยแวะมาแล้วเราก็มามาพักแรมอยู่บนศาลานี่ยก็มไม่ได้บอกใครด้ยแม้ใช้ประมาณลเาเพื่อช่วยจิตงองอะไรตัวอะไรแล้วท่านเดนพักที่ศาลา ท, ที่เราไปอยวยกันท่านก็ไม่ได้ไปบินหรือเปล่าวันนั้นท่านห ก็ไม่ฉ่ำวันลุ่งขึ้นเนะ น, นี่ยก็ม่ฉ่ำแล้วไม่มีใครรู้ว่าท่านมา ต, ตอนสา ย, ายของวันรุ่ขึ้นก็ม่ไม่ยากเยอนนะครับ <Okay. S 1> แต่ท่านก็คอยมาอยู่เรื่วยแต่ไม่ได้มา mm hmm. มามาช่วงกลงวันบทีถ้ mm hmm. ทา mm hmm. ทาํานมาถาีมาผ่านมาแถนี่ท่านจว่า mm hmm. เยี่ยม ตอนนี้หลวงตาท่านกลับไปบ้านสางแล้วใอยู่ดอนอยู่ดูแล้วแล้วพวเราไปไปเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยสองคนนี้บ่อยมากค่ะเฉลี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่บ่อยแต่นี้เฉลี่ยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่า้ยอือนี่คืองานข้าวก่อนเดือนเดือนหน้านี้สิบเอ็ดสิบสองงานคุณพก็ไปประจําอยู่แล้ว คนนี้อะเดี๋ยวไม่มีวาสนาด้วยว่าต้องไปทํางานนี่เขาไปทํางานที่อินโดหรือเปล่ารู้จักดรเจนนี่ดรเจนนี่พูดถึงนั่นการหรือเปล่าแล้วเป็นไงเขาติดต่อประสานงานอะไรกันไม่ทราบไปถึงไหนจริงๆแล้วเขาให้เออเกสารมากราบหลวงตาแต่เท่าที่ลูกฟังหลวงตาบอกว่าคงเนตตาทางเมืองไทยได้ประโยคน์มากกว่าที่หลวงตาพูดทางที่ว่าก็เลย แ่ทางอินโดเขาก็หวังรู้สึกเขาตั้งเป็นคอมมิชีกับแบบทางานกันเป็นเรื่องบรรดาเแล้วเจ้าค่ะแต่ลูกคิดว่าตรงททมไทยสงฆ์ท่านคงไม่พร้อมที่จะมาธาขันไม่ค่อยดีนะเขา<อ><อ>ท่านก็อายุมากเดิ<ช>นทางไปไกลก็ต้อมาทาน่แลวเจนนี่เขาเมื่อก่อนนี้เขามีน้องชายมามาบวชในยอยู่ที่วัดยาง ด้วยจากน้องชายเขา่อนแล้วน้องชายเขาก็ไปเล่าให้ให้น้องชทตคนนี้ฟังคนที่บอกว่าเป็นธุรกิจเรื่องมาเกยหรือเป็น้ังไงไม่อีกคนคนที่อยู่แคนาดาคือเคนดี้เคนดี้ Candy, เขาเขาได้ภรรยาที่แคนาดาเป็นแคนาเดียนเลยเหรอคะไม่ทร า, าตัวเขาเป็นอะ้รแต่ไม่เห็นว่าภรรยาเขาเป็นเราเลยย้ายไปอยู่ตรงนั้นรู้จักนานแะล้วสิบกว่ปีแนละ้ว เ้าก็มาอยู่เรื่อยๆช่วงหนังนี้ก็ปีหนึ่งจะมาสองครั้งช่วงเนี่ยช่วงเดือนมีนาแล้วก็กช่วงมาช่วงเดือนตอนออกพรรษาเขาเขานั่งสมาธิดีจนระิงๆก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ถามรายละเอียดนะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะศึกษามาก จะรู้มากทางด้านการอ่านการอะไรแในทางปฏิบัติก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ต้องคอยพยายามเตือนก็อยู่เองก็คนที่เรียนรู้เก่งนี่มักจะไม่ค่อยภาวนาคือจะใช้ปัญญาอย่างเดียวแต่จิตมันไม่สงบถ้าจิตมันไม่สงบแล้วมันปัญญามันก็เป็นปัญญาแบบงี่เง่าปัญญาแบบตับไม่ขาดอื คือรู้แต่รู้แล้วมันก็หลงอยู่กับความรู้นันะ้นราไม่รู้ว่าทําไปเพื่อตรงไหนไปให้ไปถึงจุดไหนแต่ถ้าคนภาวนาทำสมาธิได้แล้วจะรู้ว่าก็ทำไปเชื่อจุดนั้นนหละเพียงแต่ว่าการทาสมาธินี้มันมันไม่อยู่จุดนั้นได้ไปตลอดเพื่อภาวามสงบ เช่นเรานั่งไวค้คำพูดโทรพูดโทรไปติดตลอดมันก็มีความสุขมีความสบายแต่พอออกมาปั๊บมันก็คิดนู่นคิดนี่กลุ้มเรื่อนนเรื่องนี้นนนนมันก็เอาเรื่องนี้เรื่องนี้มาเผาหัวใจเรามันก็เกิดความนิง่งน้อยขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็กตัดมอนเอาเรื่องอะไรเข้ามาแล้วก็ตัดมันคือเราดูใจเราเป็หลักถ้าใจเราร้องจบเรื่องอะไรก็แสดงว่ามันไม่ถือ เรารับคานเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรแสดงว่าเราเราหลงะเรารู้ไม่ทันถ้าเรารู้ทันเราก็ต้องดูแเราใจเป็นโอเดตคาได้อวางเฉยได้จะดีจะช่วยอย่างไรก็วางเฉยได้นอันนี้ต้องอาศัยสัญญาและถ้าอย่างทําให้เป็นนี่ถ้าถ้าว่าโกดแล้วเราก็เป็นฟุทโทเบย อา น, นั้นก็ใช้อุบายของสมาธิแต่มันไม่ได้แก้แบบถึงรากถึงโคนเพราะว่ากบความโกรธนี้มันเกิดจากความหลงเราต้องเอาปัญญาคือความรู้เข้าไปแก้ถึงจะหายโกรธได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราพูดโทอพูดเถอะก็เหมือนเราเราเอาเห็นไปทับความโกรธนั้นเลยความโกรธนั้นมันก็สแสดงตัวออกมาไม่ได้แต่มันไม่ได้ถูกทำลาย โดยกา ร, าารทำบริกรรมนี้ไปไปกบมันอพอเราเผลอหยุดบริกรรมปป๊บมันก็กลับไปคิดในเรื่องนั้นได้ก็เกิดความสุขขึ้มนมาได้อต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของใจรักไม่มีสาระอะไรเราไปหลงมันเองเราให้ความสําคัญกับมันเองทั้ ง, ท, งที่ความจริงแล้วมันไม่มีสาระอะไร วเวลาเห็นอย่างนี้นเห็นว่าเรืนี้นมีสาระมันไม่ใช่เรื่องที่เราไปควบคุมบังคับได้<ม>เหมือนกับแดด ก, กับลมกับฝนนี้<ม>เราฝนตกเราไม่โกรธฝนไม่ใช่<ม>ใช่ไห ม, ม, มเพราะว่าเราไปควบคุม บ, บังคับมันไม่ได้<ม>อย่างเนี้ยกตัวอย่างเวลาเราพายเรือแล้วมีเรือกลำหนึ่งคนพายเรือพายมาชนเรือเรานี่เราจะโกรธคนที่พายเรือหรือโกรธนะ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 ถ้าเกิดใครมาพูดหรือมาทำอะไรเราโกรนี่ใจเราจะเกิดความมึนม้อยขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่เห็นไฟของความเกิดที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธินี่มันจะมีความสะอดสาดขันเยอะใจที่มีสมาธิเหมือนใจอยู่ในห้องแอพอเจอความโกรธจะมือนออกมาจากห้องแอมันจะสัมผัสมันจะรู้ชัดทันที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 เช่นกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เลยไม่เห็นความเกิดที่มันเป็นตัวผักดันให้เราต้องไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้นกับคนนั้นกับคนนีน้แต่ถ้าเรามีสมาธิวามสงบเป็นเพื่อนทา ง, งจิตอยู่แล้วพอมันมเกิดความโกรธขึ้นมามันก็เหมือนมีไฟลุกขึ้นมา ท, าทันีในใจแล้วก็รีบแก้รีบดับตัวนี้ ฉันที่จะไปหลงกับไอเหตุการณ์หรือคนที่สร้างให้เกิดทางโกลนก็กลับมาระงับไอดับตัวนี้ด้วยการปล่อยวางเหตุการณ์นี้เสียยอมจำนวนกับเหตุการณ์นั้นใครเขาจะว่าไงก็เขาก็ว่าไปนล้วเขผ่านไปแล้วเราจะเสียอะไรมันก็เสียไปแล้วไม่ต้องมาเสียใจของฉันเสียของแล้วก็พอแลวไม่ต้องมาเสียใจ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 พอหายไปปับถ้ามีปัญญาก็จะรู้สึกวนะ่ามันไปแล้วก็ใจก็ไม่วูบใจก็ไม่เสียใจแต่ถ้าไม่มีปัญญาเพราะหายไปใจจะวูบขึ้นงเสียดายบางนะทีเกิดความวุ่นวายพยายามจะติดตามหาแทนที่จะบอกวนะ่าไปแล้วก็หมดทาระากันไปดีกลับไปจะได้ไม่ต้องไปมีมันไม่มีเราก็อยู่ได้ใช่ไหม สมัยก่อนเพราะพุทธเจ้าเห็นมีของพวกนี้เลยมันยังตัดสั้นได้เลยแล้วของพวกนี้มันจําเป็นกับการตัดสั้นมากน้อยแค่ไหนไม่มันไม่จําเป็นหรอกเพียงแต่ว่ามันเมื่อมันมีก็เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถําเพนแล้วก็เจริญทําได้เหมือนกันแต่ใจของเรามันมักจะบอกเราเรืเลยมีอันนั้นดีนะมีอันนี้ดีนะ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่มันมีตามมาด้วยคือความกังวลใจความวุ่นวายใจมีอะไรมันก็ต้องคอยดูแลรักษาเวลามันหายไปมันเสียไปก็เสียใจถ้าไม่มีเลยมันก็สบายใจไม่ต้องเป็นภาระกับทางด้านจิตใจาะใจเนี่ยยิ่งปล่อย กดเครื่องได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมาเท่านัา้น uh huh. ยิ่งเบาขึ้นยิ่งสบายขึ้นยิ่งมีมากมันก็ยิ่งแบกมากแต่เราไม่เห็นกันหรอกเพราะว่าใจเราไม่เคยกดเครื่องมันด้วยสมาธินะครับถ้าจิตเรารวมลงเป็นอัปปนารวมลงเป็นแบบสุดๆถึงฐานของมันมันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยมันจะมีทางเลือกเบาโย่โล่งไปหมด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 ไปไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาแบบมาเป็นสมบัติสองเรายิ่งมีมีสมบัติน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากมยังมีมากใช่หไหมเจ็ดหมื่นสามพันล้านนี่มีความสุขที่ไห น, นก็แต่เรื่องของกิเลสมันก็หนักเท่าไหร่มันก็อยากมันก็ยอมแบบเพราะมันหลงเรื่องพวกบ้าหอบฟัง ปางมันมีสาระมีสินค่าที่ไหนแต่ขอให้แบกไว้ขอให้มีขนาดยาวเงินทองถ้ามันมีการความจําเป็นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราแล้วแต่ทำไมท่านคะอย่างคุณนักซีนเนี่ยเขาได้ขนาดเนี้ยแทดงว่าต้องมีบุญเยอะมากแ ต, ต่ทำไมขนาดดวงตาสติเขเองขาไม่ทําไมไม่มีอะไรทํำไมเขาดวงตาบุญมันมีหลายระดับไงบุญบางอันมีมีสิบระดับ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 พอเราใช้ภาษาแล้วถ้าเกิว่าเนื้อข่าวศาสนาพุทธสอนให้ใช้อุเบกข า, ากเนี่ยมันเลยทําให้เหมือนกับคนไทยไม่มีน้ำใจแบบไม่มีทางแม้แต่หนถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเทียบกับพวกศาสนาคริสต์นะอี่างฝรั่งนี่ถึงว่าเขาจะทําเกี่ยวด้วยในกัมพาหรือเด็กแล้วเขาจะแบบคุกคลีกับเด็กสกปรกหรือเด็กมี่ิีการได้แบบสนใจเอาขึ้นมาเกาะกันขณะที่เราาศาสนาพุทธอย่างเงี้ย เราไม่กล้าจับหรือเราต้องร้อยฝรั่งมาเรียกเราเรายอมไปทําเรื่องเงี้ยแต่ต้องฝั่งนําหน้าตลอดเวลานี่คือว่ามันเป็นเพราะศาสนาบอกว่าทำให้เป็นแบบนี้ในเห็นว่าเราคิดว่าเป็นบุญกรรมแล้วเบิดเท้าเราก็เรียกปล่อยาวังไว้ทรงนั้นแล้วเราแต่ขณะที่หมึงจับฝรั่งตรงนม้ตามากกว่าเพราะบางครั้งลูกถามเรื่องคนนี้ก็ไม่จะตอบยังไงก็จะว่าเราไม่มีเมตตาก็ไม่ใช่เแต่ว่าเราค้ายๆว่าเรายอมนัดเรื่องของ กรด้วยแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับคิดค่าว่ามรณะเลยแล้วก็ดูแลศาสนาจสอนให้คนมีเมตตากรุณาผู้ดิจาอุเบกขาเหมือนกันก็มีการทำมีมูนิธีมีอะไรเหมือนกันาะอย่างที่สมารครุงเนบาที่ไปไปกันอย่างเงี้ยสมารจะมีเขาหลังสมารที่ไปจะมีคนไทยด้วยนี่เ อ, องเอชียิตของคน แล้วค น, ค น, คนเอเชี ย, ยทำได้ไม่สนิเทเข้าฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าศาสนาคริสต์ต้องมีอะไรดีอย่าง่ที่ว่าสามารถสอนให้เขาสามารถคือเขาอาจจะเน้นไปทางนั้นก็ได้แต่ของเราเนี่ยมันเรามีหลายอย่างที่เราต้องลําเพ็ญไปควบคู่กันคือเ ม, มตตก็ต้องมีแล้วเราก็ต้องมีศีลเราก็ต้องมีภาวนาด้วยเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัตินี่มันต้องไปไกลกว่ า, าการ ให้ทานเดียวเนี่ยคทานให้ทานก็คือความเมตตาที่ช่วยเหลือสองท้อคุณนั้นคุณนี้ซึ่งเราก็มีมีอยู่เหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะไม่ทําแบบเป็นปทานกับที่เขาทํากันอยู่เราทําอ็นไปต่างคนต่างทํากันอหนึ่งทานเรามีขอทานเยอะแยะเสมอมีการให้ทานยอยู่เสมอ มีการปล่อยนกกล่อยฟ้าอะไรของเราไปเผแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นแบบองคอ์กรเหมือนของเขาเขาทำเป็นแบบองคอ์กรขึ้นงาแล้วก็อาจจะทุ่มไปกับไ อ, ไองานอย่างนี้มากจนไปทาให้เกิดความเ่นขึ้นมาแต่ของเรานี่มันเป็นการดำเนินที่เป็นเพียงหนึ่งในส่วนของการดำเนินเท่านั้นเอง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 มันนีเราค่าว่าไมเราเราปฏิบัติหลายอย่างเพราะสมมติว่าถ้าเรามีเมตตาแล้วเราขาดอุปเบกขาเนี่ยบางทีเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>เห็นไข่เดือดร้อนก็เป็นห่วง<ม>เป็นกังวลเข้ามากไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะขาดอุปเบกขา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 อะไรนะเมตตาเป็นเครื่องเป็นธรรมทำบุญโลกแต่ว่าคนอาจจะไม่เอาไปไปปฏิบัติ<ม>คือส่วนใหญ่จ่จะจะชอบทำบุญทำทานกับกับพระนี<ม>่แต่อาจจะไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานกับพวกคนขอทานพวกคนเดือดร้อนอะไรแบบนี้เพราะอยากจะได้บุญเยอะจเ็ ก็เหมือนหลงตาใช่ไหท่านก็ช่วยบางคนท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยช่วยไม่ได้ท่านก็ก็เลยกลายเป็นภาระของพระที่จะต้องรับช่วงต่ออย่างเราทอบได้บุญเยอะๆแล้วก็ไปทําบุญกับหลงตาท่านหลวงตาท่านก็ต้องเอาเงินมาเราเนี่ยไปไปช่วยแทนพวกเราอีกทีนึงท่านก็ไปสร้างโรงพยาบาลไปทงข้อเหมือนกับที่ต้องทํากันเน่ยเพียงแต่ว่าพวกเรามันติดพระซึ่งก็ดีเพราะว่า เราก็หาพระเราเราได้หลายอย่างเขาทําของเขาเองเขาได้แค่ทานบารมีอย่างเดียวเราเข้าหาพระเราได้ทานบารมีแล้วเรายังได้ปัญญาบารมีเราได้ศีลบารมีได้หนุนธรรมบารมีเพราะเราไปอยู่วัดเราก็ต้องชี้ชี้แต่ปฏิบัติธรรมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการทําอะไรเราก็ต้องคํานึงถึง ประโยชน์ตนด้วยพระพุทธญาสอนว่าจงมาเป็นประโยชน์ตนและท่านให้ถึงร้ามด้วยความไาม่ตตาถเถิดประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ผู้อื่นถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวอีกเราจะไปป้อนคนอื่นแล้วเราไม่ได้กินข้าวนี่เราเดี๋ยวไม่มีแรงเราต้องป้อนตัวเราให้อิ่ก่อนเมื่อเรามีแรงแล้วเราก็ค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่น พระพทเจ้าก่อนที่จะตัดสะรุก็ไม่เคยไปประกาศศาสนาสอนใครเลยก็ทร่งบำเพ็ญถึงหกปีด้วยกันแต่เมื่อทรงบรรลุแล้วตัดสะรุแล้วก็เมตตาตอบสนองโลกถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันแต่งว่าศาสนาพูดที่เห็นว่าความสำคัญนั้นอยู่ที่นมามธรรมคือคุณธรรมามากกว่าวัตถุ ทานนี่ยมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันวัตถุทานวิทยาทานอภัยทานและธรรมทานในบรรดาทานทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการให้ทานให้ธรรมชนะการให้สังกูเพราะพูดให้ธรรมนี่ทําให้คนหลุดคนจากการเวียนว่าตายเกิดได้ให้ให้ข้าวให้อาหารให้ที่อยู่ ก็เพียงแต่พอประทังชีพตะวันวันหนึ่งแต่ไม่ได้แก้ปัญหาหลักคือการเรงินว่าการเสือ่อยู่ดังนั้นถ้ามองแบบคนที่ไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการให้วัตถุทานเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่การสอนธรรมะกบเป็นเหมือนกับว่าเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรพาะเขามองไม่เห็นเขาไม่มีปัญญาที่จะเอ่อเห็นคุณค่าของของธรรมะได้ทคนั้นเองก็าดูพระพุทธเจ้าตลอด45พระพรรษานี้ไม่ได้สร้างโรงพยาบาลไม่ได้สร้างมูลนิธิสงเค์เด็กหรืออะไรเลย ทำไมนคนอยา่องยางพระพุทเจ้าถ้าจะทําสิ่งอหล น, นี้ทำามจะทําไม่ได้เพียงแต่พระองค์ทรงวิววเคราะห์ดูแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธที่พระองค์มีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองให้ธรรมะนี่ยมันดีกว่าให้เงินให้ทองดีกว่าสร้างมวิธีสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นทา น, เ ป, น, ถถทานเป็นวัตถุทานเป็นวิทยาทานสร้างโรงเรียนก็เป็นวิทยาทาน สร้างสร้างบ้า น, านที่อยู่อาศัยสงเคราะห์คนไม่มีที่อยู่อาศัยก็เป็นการสงเคราะห์ด้วยวัคติทานแต่ไม่มีธรรมทานเนี่ยตายไปมันก็จบตายไปมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นไม่ได้เป็นท่าอาราธนาแต่ถ้าธรรมทานเนี่ยมีท่าหันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยอันไหนจะมีคนท่ากับกัน อันนี้คมจะตอบ ค, ความสงสัยว่าทําไมศาสนาพุทธไม่เด่นทางด้านวัตถุแต่เราจะเด่นทางด้านคุณธรรมเพราะในคนมีคุณธรรมนี่มันดีกว่าเพียงแต่สงเคราะเ์เาด้วยปัจจัยสีเขามีปัจจัยสีเขามีแรงกําลังวังชาถ้าใจเขายังมีกิเลสอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปฆ่าคนนี้ก็ได้ไปรักทรัพย์ไปทําผิดศีลหน้ แต่ถ้าให้เขามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมอะ้เขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครถึงแม้เขาจะอดอยากขาดแคนยังไงเขาก็ยังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนยไม่ทว่าิถูกนะครับเดที่ฟังมาวิชอาวิชาถ้าเกิดกำจัดวิชาได้ถึงไหจะกจัดไตหลักได้อันนี้ถูกนีหรือผิดนะคือมั น, เ ป, นเป็นของคนละด้านกันีง อวิชากระต่ายลักณนี่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับมืดกับแจ้งนะถ้ามีความสว่างมันก็ไม่มีความมืด อ, อย่างตอนนีม้มีความสว่างความมืดก็มีแต่พอความสว่างหายไปความมืดความมืดมันก็ปรากฏขเองไม่คาดเลยสมใจดีวันน้าสมาธิแล้วพี่หลงตาพูดตรงนี้แต่จับเป็นนิดเดียวแล้วคาถามิดเลยนะโบราณนั่งสมาธิเลยตอนแรกๆจะได้ความเข้าใจไปเลยแล้วพอสักพักหนึ่งก็จะได้ยินแบบ อย่างนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าถูกหรือผิดแล้วก็พยายาจะหาอยากจะรู้ว่าเราจะทำใจอวิชาได้ยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่หมายเห็นว่าเหมือนกับว่าเราหายแล้วอะค่ะเหมือนกับอันนี้เราต้องพยายามเป็นตัวเองกลับมาฟังเทศให้เข้าใจหรือว่าก็ต้องปล่อยให้ไปแบบไม่ค่อยาไหรอเวลาฟังเทศมันแล้วแต่เราจะฟังแบบไหนเราจะฟังให้เกิดปัญญาเราก็ต้องพิจารณาตามถ้าเราไม่น่าขนาดที่ไม่ควรฟังใช่ไก็แล้วแต่ระดับจิตของเราจิตบางคนพิจารณาตามไม่ทัน ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจถึงเหตุถึงผลที่แสดงได้ก็เพียงแต่ใช้ฟังแต่เสียงอาศัยเสียงนั้นเป็นตัวเกาะทำให้จิตสงบอะไอย่างนี้เรียกฟังเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าฟังอย่างนี้ที่คุยกันเนี้น่าอธิบายถึงเหตุถึงผลให้ฟังถ้าเข้าใจก็เกิดปัญญาขึ้นม้ mm hmm. มันอยู่ที่ ฐานะของคนฟังว่าอยู่ในระดับไหนถ้าจิตยังอยู่ในระดับที่ยังพิจารณาไม่เป็นยังยังไม่สามารถเ อ, อเชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลได้ฟังไปก็ไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยการฟังเพื่อทำคิดให้สงบ ก, ก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาปัญญาทีละขั้นคิดขัดเริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลไปก่อน เช่นมีแสงสว่างเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์ทำให้มีแสงสว่างเวลามันมืดมืดเพราะอะไรมืดเพราะดวงอาทิตย์ตกไปรับดินแล้วอย่างนี้มันมีเหตุมีผลต่อไปแล้วก็คิดพิจารณาคนนี้มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาทําความดีวันนี้เขามีความวุ่นวายใจเพราะอะไรเพราะเขาไปทําความไม่ดีไว้ค่อยๆหาพิจารณาไปเรื่อยๆในระดับ แล้วก็เมื่อมันพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปถึงระดับไตายักจะเริ่มพิจารณ า, าว่าพอเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งหลาต้องเป็นอย่างนั้นั้งจริงเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆก็จิตก็น่าชินกับความจริง น, น, นี้ก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่อง ไม่ใช่เหมือนกับมีคนต่างดาวมาโผล่ใช่ไหมเวลาเวลาคนตายทีเนี่ยแต่เวลาคนตายทีนู้สึกว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตโผ ล, ล่หลอนเพราใจของเราไม่ได้พิจารณาถึงความตายจนเกิดความชินกนกลายเป็นเหมือนกับความตายนี้เป็นเรื่องแปลกที่เวลากเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีลูกกุกะบาปกตกลงมาจะต้องมีการโจทยขาเฮ้ยคนนั้นตายแล้วนะคนนั้นตายแล้วนะ แท้จริงมันต้องรู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องตายใช่ไหมตายแล้วทำไมต้องมาเป่าประกาศบอกกันให้โกราผลวุ่นวายไปตายก็ตายกับเผ า, า, ากันไปนี่จะจบใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจริญใยรักใจเราจะหมกมุ่นอยู่กับการอยู่กับความหลงอ ย, อยากจะอยู่เป็นนา น, านอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปตลอดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย พอเกิดอาการเจ็บไข้ได้สวยขึ้นมาก็วุ่นวายใจแล้วแทนที่จะเฉยๆเป็นอุเบกขางไม่ได้อโอแก่หน่อยพอเห็นผมขาวขึ้นมาสักเส่นึงนี่โอโ้โหยังกะเห็นนรกเพราะเราไม่พิจารณาเพราะเรามัวแต่อยู่ในความมืดของอวิชชาอาวิชชานี้จะให้เราคิดว่าเราจะสาวไปตลอดเราจะไม่เจ็บไข้ได้สวยเราจะไม่ตาย คือเมื่อไม่คิดถึงมันมันก็เหมือนกันเราจะมันเราจะไม่เป็นพอมันเกิดขึ้นกับเราปั๊บเนี่ยมันมันรับไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราพิจนารณาเรื่อยๆด้วยใจรับเดี๋ยวต้องแก่แล้วนะแก่ทุกวันไม่ต้องเดี๋ยวอะ่ะแก่อยู่ทุกขณะชีวิตเราเหมือนกับต้นเทียนจุดไฟปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มกินเนื้อเทียนไปเรืนะ่อยๆเดี๋ยวชั่วโมงสองชั่วโมงต้นเทียนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว อ, อยู่ ชีวิตของเราก็ดอนเวลากืนไปเรื่อยๆเท่นานิดเพียงหน่อย่ น, นิดเืียหน่อยทุกขณะทุกวินาทีอยากไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวถึงเวลามันก็หยุดมันกำลการถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเราก็รู้หยุดก็หยุดก็ไม่เป็นไรายมือนจะเป็นอะไรคือไม่ทุกข์กับอย่าง แต่ไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ทุกได้ด้วยปัญญาถิงต้องพิจารณายู่เรอยๆบทสวยเขาก็มีสอนให้สวดนม่ไงเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงล้งความแก่ไปไม่ได้เคยพิจารณาหรืไม่ทุกวันพยายสวดวนมันเข้ไปยังเ็นไม่ได้ยามันต้องเอาชนะไอตัวที่มาต่อต้านความรู้สึก ที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ได้แต่ eday. ตัวความรู้สึกนี้เป็นตัวกีเลสเพรไม่อยากแก่เลยไม่อยากเจ็บเลยไม่อยากตายถ้ามีความไม่อยาอย่างนี้อยู่มันก็จะทําให้ความทุกข์ใจแต่ถ้าบอกเอามันเป็นธรรมดานะถึงมันเวลามันจะแก่ก็ยอมรับหน่อยแต่ไม่ได well. ้อยากแก่ไม่ได้อยากเจ็บไม่อยากตายความอยากแก่อยากเจ็บอยากตายก็เป็นกิเลสเหมือนกัน เวลาอยากจะตายก็ต้องฆ่าตัวตายเนี่คนบางคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะความอยากตายแอย่างนี้ก็เป็นกิเลสเพราะมันไม่อยากจะอยู่มันอยากจะตายแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเฉยๆเราเมื่อเราพิ้นเจานแล้วเราจะเป็นอุบเบกขาใจเราจะเฉยๆกับการการเป็นการตายเป็นก็เป็นตายก็ตายได้ทั้งสองอย่างขณะเป็นก็อยู่ขณะตายก็ไปก็คิด อ, อย่างนี้ก็แล้วกัน ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือการเจริญปัญญาปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างทำทำโมปีโปเนี่ยแสงสว่างอย่างทำถ้ามีใจรักอยู่ที่ไหนหกิเลสมันก็จะกระจายไปกระจายไปมันจะไม่ยึดไม่ติดถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ใครอยากจะไปเอามาแต่บอกเอาไม่เจ็ดหมืนสามพันล้านแต่คุณต้องกอดกับความทุกข์นั่นนะ่ะ ถ้ามีกิเลสไม่มีปัญญามันก็จะเอาแต่คนที่มีปัญญาก็ไม่เอาอ่ะให้หลงตาไปเท่าไหร่ท่านเก็บไว้ให้ไหนนะอันระบายออกให้ทันทีระบายออกให้ทันทีเก็บไว้แล้วมันปวดหัวยังจงต้องดูแลรักษามันแล้วไม่เกิดไประโยชนอะไรเก็บไว้ยังไงเมื่อท่านอาจารย์อยู่บ้านป่าสมัยก่อนของป่ า, าท่านเทศที่ อรมพระก็อบรมท่านยะอบรมพระตอนเย็นตอนเย็นเย็นประมาณพอจะเริ่มมืดท่านก็จะบอกพระว่าตาเรียกพระมาประชุมพอประชุมมันซาลาชั้นบนเมื่อก่อนที่ชั้นล่างมันไม่มีที่ชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนธรรมดาเก็บพวกข้าของอย่าต่างเก็บกองไม้เก็บกองอะไรต่างแล้วมันต่ำชั้นล่านี่ก็มายกขึ้นที่หลัง อยู่ตอนนั้นไหมครัต อ, ตอนที่ยกอตอนตอนยกครั้งแรกอยู่ตัวยกย ก, ยกอสองครั้งครั้งแรกยกยกเสาขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยรู้สึกเปลี่ยนเสาตอนครัเมื่อก่อนเป็นเสาไม้แล้วมันรู้สึกว่ามันเก่ามันจะผุแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาคูแต่ไม่ได้ยกสูงขึ้นรู้สึกว่าจะเท่าระดับเดิมแต่เปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาเป็นเสาคู ที่มายกสูงขึ้นที่หลังแล้วทาเป็นที่นั่งปูกรเบื้องเมื่ อ, อไงเนี่ยเทปู น, นใช่ไหมตอนนั้นเราไม่ได้อยู่นะเมื่อเราออกมาเมื่อปีสองหกปลาปีสองหกแล้วเข้าไปเมื่อปีหนึ่งแปดประมาณว่าสิบแปดพอปลายปีสองหกก็ล า, านอมมานะดูแลโยนก็ไม่ใช่ไห ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแต่ไม่กลับนะแต่ก็ก็ก็อยู่มาแล้วก็เลยอยู่ต่อไปอืท่านหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีท่านเข้าๆ อ, ออกๆอยูนานแล้วปีหนึ่งแปดอาตมาก็จะมารสารกับท่านแล้วก็ปีนั้นท่านก็เข้ามาจามารสาอยู่ที่วัดต่างๆมีอย่างมีหลวงปู่ลีมีหลวงปู่บุญมีมีท่านปัญญา ท่านอาจารย์อินทวายท่านเชอรี่ที่เจนเพียนออกไปก่อนนะท่านอาจารย์เีไมี่อาตมาไม่เคยเห็นท่านกลับมาสาสารเพระท่านท่านมีวัดคุณทั้งนั้นแต่หลวงปู่นีนท่านสร้างวัดแล้วท่านจะไม่อยู่อท่านก็อยู่แล้วเขาสร้างไวัให้ท่านอยู่ท่านก็อยู่ให้เขาสร้าสองสามทศวรรษแล้วท่านก็ไปอย่างวัดดงศรียุทูนี่หลวงปู่นี้เป็นคนสร้างแต่ถ้าท่านจะให้ท่านอาจารย์ทูนดูอยู่ อคุรีท่านไม่ไม่ไม่ไม่ชอบอยู่ติดที่แต่ท่านจะเข้าออกเข้าออกบ้านจาไปเรื่อยๆบางทีออกไปสองสามบ้นจ่าแล้วกลับมาอยู่พันจ้าสองพันจ้าแล้วท่านก็ไปใหม่ท่านท่านสมเด็จนานอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้ถามเวลาท่านแต่ว่าได้ยินขาวหนู่เพื่อนพูดใช่ว่าองคุรีท่าน ท่านหมดปัญหาไปแล้วอาตมานี่มีมีปัญหาของตัวเองอยู่ไหนคือไม่ก็ชอบไปสนทนากับใครอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปสนทนาใครเลยครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เลงหลวงปูรงงป่รุนี้อาจารย์ถวายพระผู้ใหญ่ท่านปัญญาก็าไม่เคยไปไปสนทนาอะไรเราโมแต่ยุ่งกับเรื่องของเรา อคนนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องราวของของอือ่นคืแต่ได้ยินได้ฟังจากเวลาที่เขาคุยกันบ้างแล้วเวลาสมมติทำสมาธิไปลูกๆยังไม่เคยนล่าฐานดูสิเหตุว่าทำจิตสงบไปมากๆแล้วมันจะมีกิเลสอะไรให้ฆ้านี่ยมันเหมือนว่าเราอ๋อไม่เหมือนกับสมาธิเหมือนกับฉีดยาสลบเนี่ยมันไม่ตาย เวลามีความสงบกิเลสมันก็สงบตัวไปด้วยพอออกจากความสงบกิเลสมันก็แล้วตอนนี้พาสงบแล้วเอาปัญญาไปคิดเรื่องกิเลสมันก็เหมือนกับว่าออถ้าเป็นปัญญาเนาะนัคิดเรื่องธรรมะสิถ้าถ้าคิดเรื่องกิเลสมันก็เป็นเรื่องของของวิชามีความคิดของเราเนี่คิดไปได้สองทางนะยังคิดไปในทางธรรมะก็ได้แล้วคิดไปในทางกิเลสก็ได้ เช้นถ้าอยากล่ำอยากรวยอย่างนี้ก็เล็งเชื่อไปทางกิเลสอยากจะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ถ้าเกิดความอยากในทั้งสาประการคือยอยากอยากในกามอยากในกามสุยอยากในรูปสูงเิ่นยอดสุดก็จะรวมไปถึงอยากจะได้วัตถุเข้าของในใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอะไรพวกนีเน้เรียกว่าเป็นความอยากของกิเลส mm. คิดไปในทางกิเลส mm. อยากจะ เป็นอยากจะเป็นคุณหญิงอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะร่ำอยากจะอะไรยี่แต่นี่ก็เป็นความคิดของเกตไม่อยากจะมีพานค่ะเป็นจิเล่เนี่ยไม่อันนี้เป็นมัจมัจอยากทําความดีอย่างรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่จิเกล่นี่เป็นความคิดทางทางธรรมเรียกว่าความคิดไปในทางธรรมะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีความคิดที่ไปใจสองด้าน ที่ไปทางธรรมะก็เป็นมักที่ไปในทางทางกิเลสมันก็เป็นสมุทไทยก็พาเราไปสู่ความทุกข์ความหุ่นวายใจถึงแม้จะมีได้มาเจ็ดหมืนสามพันล้านก็วุ่นวายใจไม่มีความสุขแต่ถ้าทําบุญเจ็ดมืนสามล้านไปนี่โอ้ลับรองไนดะ้คนนี่จะ <c oughs> ชื่อนี่จะเสียงถ้าวัดดังไปทั่วโลกเลยเอาอย่างเศรษฐีของโลกอะ่ะ เขาก็ไม่ได้เก็บเงินเขาไว้นะคุณดีวเกษเนี่ยถือว่าเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้องเขาใช้เงินไปไม่รู้กี่แสนล้านบาทเรืนหลายหมื่นล้านเหรียญเงินที่เขาได้เงินของเขาเนี่ยเขาบริจาคสร้างสมูลนิธิแล้วเอาไรายได้จากเงินมูลนิธิมามาแก้ปัญหาทางด้านโรคผันไข้เจ็บ เมื่อไม่นานนี้เมื่อสองสามวันก่อนก็นกประกาศโครงการ 10, 10ปีที่จะต่อสู้กับโรคทีบีมีงบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 56,000 ล้านเหรียญเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไม่ให้ตายจากโกรคทีบีฝลัง่งสุณแมาก็าจะเป็ น, นี้เชืเอ่อไหมชอบาจใจดีออขอบคกณลา ก็คนไทยก็มันมันมันก็ไม่เสมอไปคนไทยที่ใจดีก็มีงแต่ว่าคนไทยเราอาจชอบทําบุญปิดทองหลังพระมากกว่าใช่ไหมอย่างคนที่บริจากเงินหลวงตายเยอะๆนี่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นใครเราไม่ปรากฏตัวออกาว่านี่เป็นเป็นเป็นแนวทางของพุทธพุทธิธรรมอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยดังดังอยู่ในใจของตัวเองเะนั้น นั่นแหะอย่าไปเปรียบเทียบกับคือเปรียบได้แต่ถ้าเราพิจารณาลงไปลึกๆแล้วมันก็ไม่สําคัญอะไรอลูก่าบจะขอเปลี่ยนศาสนาเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวก็ไม่ถึงนิพพาน <c oughs> ลูกแค่ปเรียนศาสนาเลยเออเรือศาสนาอื่นเนี่ยก็จะ <c oughs> เขาไม่มี <c oughs> เขาไม่มีทางไปถึงพั้นนิพพานเขาจึงต้องเน้นอยู่ทางด้านการการให้ทานเป็นหลัก คือการให้ทานแล้วก็รักษาศีลก็จะทำให้คนไปสวรรค์สวรรค์ก็เลยไปเจอพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่แค่สวรรค์แต่ของเรานี่มันเลยสวรรค์ไปไปถึงนิพพานนิพพานนี่มันต้องจิตสงบจิตปล่อยวางแล้วพระเจ้ามันมีจริงพระเจ้าก็เป็นจิตดวงหนึ่งหนึ่งของพวกเราเนี่ยอย่างเป็นเทพนี่ก็เป็นพระเจ้าแล้ว แเราสมมติถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพไมครับจริงแล้วบางทีพระเจ้าก็สอนให้ภาวนาเหมือนกันก็เขาก็มีวิธีเขาก็มีการสอนให้ให้ใ ห, ให้ให้มีการสวดอะไรของเขาอืู่ก็าอาจจะเป็นวิธีทธําจิตใจให้สงบแต่ทุกศาสนาในโลกนี้ยต่างกับศาสนาพุทธตรงที่ว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องไตรลัก แต่ศาสนาอื่นนี่ไม่ได้สอนคือตายลักนี่อาจจะสอนเรื่องอนิจจังทุกศาสนาก็เห็นว่าเป็นมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเห็นว่าชีวิตในโลกนี้ก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันแต่ไม่มีไม่ไม่มีใครเห็นตัวอนัตตาว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม้พวกเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่วิชามันเสร็จสรรปัญย่อขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตน เราจะใส่เทพเป็นตัวเป็นตนให้ให้เป็นพระเจ้าให้เป็นพระอินทร์พระพรหมขึ้นมาแต่ความจริงมันก็เป็นดวงกิจทั้งนั้นดวงกิจที่มีคุณธรรมต่างกันถ้ามีคุณธรรมสูงก็เป็นพระอริยเจ้าสามดวงม้าก็เป็นพระพรหมสามดวงม้าก็เป็นเทพสามดวงม้าก็เป็นมนุษย์ดวงมาอิฐก็ไปเป็นเดฉานเป็นเปรเป็นนักสุนรียาเป็นสัตว์นรกแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นดวงกิจทั้ง ดวงจิตที่สะสมบุญหรือสะสมกรรมแล้วทําให้ดวงจิตนั้นเป็นไปตามบุญตามกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาและตอบอยาได้นี้เราโอเคแล้ก็พยายามพิจารณาให้เห็นเป็นใจรักแล้วก็ปล่อยวางคืออยากไปยึดอย่ากไปติดอยากประหยากจะได้อะไรขอให้ปล่อยวางแล้วมันจะได้สิ่งที่เรา ดีวิเศษอยู่ในตัวเราคือความเบาใจความสุบใจความสงบใจแต่ถ้าเราไปอยากได้อะไรแล้วความวุ่นวายใจจะตามมาอันตรีอ ม, มันได้เจ็ดหมืนสามพันล้านมานี้ก็เป็นไงใจวุน่<ม>ในไหมหรือใจสงบ<ม>แต่ถ้าสละไปเจ็ดหมื่นสามพันล้านไปนี่รับรองแน่ ใ, นใจสบายมหมดภาร ะ, ะหมดความกังวลไม่ต้องมายุ่งกับมัน ถ้าเดี๋ยวตายไปมันก็ต้องสละไปอยู่ดี อ, ะอาะไปได้ที่ไหนล่ะเจ็ดหนึ่งสามพันล้านก็ต้องทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของคนเอนแล้วต้องทิ้งแบบไม่ได้บุญด้วยเพราะไม่ได้ทิ้งแบบสมัครใจการที่จะได้บุญนี้ต้องต้องสมัครใจนะถึงจะได้เช mm hmm. ่นโยมเอาของมาถวายพระนี่โยมสมัครใจมาถวายถึงแม้จะเสียของไปแต่มีความสุขเนี้ย แต่ถ้าเกิดขโมยเอาขโมยไปเนี่ยไม่มีความสุขใจแต่มีความเสียใจเสียของทิ้นเดียวกันแต่ผลต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเราเสียไปด้วยความสมัครใจ ด, ด้วยความไม่สมัครใจถ้าเสียด้วยความสมัครใจมันก็มีความสุขนี่แหละคือบุญความสุขใจนี่แหละคื อ, คอตัวบุญมันเป็นการปล่อยวางเป็นการไม่ยึดมติด เป็นการทำจิตใจให้เกิดความสงบขึ้นมาถ้าไม่ปล่อยวางถ้าไม่ะไม่ยินดีที่จะให้เกิดใครหยิบไปหายไปนี่วุ่นนะบางทีต้องไปแจ้งความตำรวจพยายามไปสืบเสาะหาให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วถ้ารู้ว่าคนไหนเอาไปก็จะโกรธจะเกลียดคนนั้นขึ้นไปอีกมันเกลียดขึ้นไหมเพราะฉะนั้น เราต้องมีความกล่าว่าสมัครใจพร้อมที่จะจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราพร้อมอย่างนั้นแล้วเวลามันจากไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเรารู้ว่าเครื่องนี้สักวันยนึงมึงก็ต้องเสียหรือแม้กระ้องหายไปหรือมันหมดตกรุ่นไปแล้วเบื่อมันให้คนหนึ่งไปอยู่ดีมัน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 ไม่ได้ไปอยากว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจะต้องดีไปตลอดจะต้องไม่เสียนี่คือเรื่องของปัญญาแ้่เราลองเห็นตายรักแล้วเราจะ เ, เราจะไม่อยากจะได้แล้วเพราะตายรักมันมีทุกข์อยู่เห็นว่าเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขแต่ส่วนใหญ่เราพอมีกิเลสตอนมันเห็นโอ้ได้มาแล้วฉันจะมีความสุข ก, ก็ซื้อมาเราซื้อมาแล้วก็มีทุกข์มากเลย ต้องคอยดูแลรักษามันต้องคอยหาฐานมาใส่ต้องคอยชาจแบบให้มันเ่ไม่มีมันเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่มีของพวกนี้เราอยู่ได้กันลแล้วก็อยู่กันมาไม่เดือดร้อนไเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอยู่พระได้เนี่ยแสดงว่าเราเรามีปัญญาเราอยู่อย่างงั้นนั่นเรามีความสุขเยอะ อยู่แบบพระคืออยู่แบบไม่มีเอาเท่าเอาเอาเท่าที่จําเป็นคือปัจจัยสี่เครื่องควาชีพเครื่องดํารงชีพนี้มันต้องมีนอกเีนือจากนั้นแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องทํางานทําการก็ต้องมีเครื่องมือเป็นธรรมดาใช่ไหม เป็นการจะต้อไปเทศนาว่ากล่าวตามสถานที่ต่างๆต้องเดินทางก็ต้องมีรถยนต์อะไรอย่างเี้ยเครื่องเที่ยงๆแต่มันมีเฉพาะกิจมันมีเฉพาะตามเหตุตามผลของมันไม่ได้อยากมีด้วยความโกูหรู้ไม่ได้อยากจะมีเพราะอยากจะไปเที่ยวบางคนมาโอนมีรถคันรถสบายไปเที่ยวไหนก็ไปได้การไปเที่ยวนี้มันไม่ได้เกิดความมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับจิตใจแต่มันเกิดประโยชน์กี่กิเลส ว่าการอยากไปเที่ยว น, นี้เด็กว่าเป็นการมากการหาเนี่ยก็เป็นการสร้างธรรมะการากหาให้มืมากขึ้นมีความอยากเที่ยวมากขึ้นมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้พออยู่เฉยแล้วก็ทุกให้นั่งภาวนาอยู่่เฉยๆไม่ได้ต้องไปนู่นมานี่โดยอา ศ, าศาัยบางทีก็อ้างว่าเอาการทําบุญเป็นเหตุขึ้นไปอินเดียก็อ้างว่าไปแสวงบุญกันแต่หลักจริงๆแล้วมันหลักของกิเลส บุญไม่ต้องไปถึงอินเดียก็มีแสวงหาในใจเท่านี้แหละคุณพรคุบอกว่าเหมือนกับว่าที่นั่งพลังที่พระพุทธเจ้าหรือว่าบูชาละสมาธิที่จะนั่งได้างไงมากขึ้นหรือแบบนี้ก็ไม่ค้าเนะก็สําหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะมีพลังจิตของตัวเองได้ก็ต้องอาศัยสถานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้กําหนดว่าให้ไปบูชาได้ตามสถานที่หลังนั้นเพราะเมื่อไปแนละ้วมันก็จะเกิดเกิด พลังขึ้นมาก็ศรัทธาเกิดวิริยะเกิดอะไรขึ้นมาแต่สําหรับคนที่ได้พัฒนาเกินท่านนั้นแต่ละเขาไม่ต้องไปหรอกก็หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ไปหลวงตาก็ไม่เคยไปหลวงตาก็บอกด้วเองด้วยนะหลวงตาบอกไม่ต้องไปอินเดียแต่คนที่ยังมันไม่มีพลังต้องทำยังไงให้ได้ค่ะที่ไม่ต้องไปอินเดียก็ได้เนี่ยก็เท้าหากูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมแล้วพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ได้ เราจะคล้ อ, อย่างยิ่งเรื่องการภาวนาภาวนาให้ได้เถะให้จิตมันรวมทั้งครั้งเดียวลั้งพลังทั้งหมดมันยิ่งต่อไปอินเดียอีกในที่นีฉันบอกว่าพยายามให้ผ่านตรงไอ้ทุกเว เ, <อ>กเวททางตรงให้ได้ใช่ไหมฮก็<อ>พยายามไม่ได้เอเอนนะจะผ่านด้วยวิธีใดจะจะรวมด้วยวิธีใดก็ตามบางคนมีบุญอาจจะไม่ต้องนั่งไปอาจจะไม่ต้องผ่านเวทนาก็ได้พอจิตบริกรรมมันก็เกาะติอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็รวมอยู่ไปเลยมันก็ไม่ผ่านเวทนาก็มี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 พรามื่อกี้เราเลี่ยนหน้าลหรือหลังลงมันไม่เกิดประโยชน์แล้วไม่เกิดประโยชน์เราให้อยู่ท่าเดียวเลยถ้ามันตั้งท่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามันดีแล้วก็อายมันท่านั้นเราไปยุ่มกับมันเอย่าไปยุ่มกับมันพรายุ่มกับมันทําให้เราเสียสมาธิทําให้เราไม่บริกรรมมันลดได้ใช่แต่มันไม่ได้ทําให้จิตผ่านเข้าไปสู่ความสงบ เ้เราต้องการนะเราต้องการลดเมทนาเ ร, เราต้องการให้มันรวมลงอให้เอมให้รวมลงก็ไม่ต้องไปกังวลกับเมตนาไม่ต้องไปวงังกังวลกับกายปล่อยวางมันไปตามเรื่องของมันขอให้เราจิตเราอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่องเดียวเท่านั้แล้วอย่าไปคาดอย่าไปคันเอว่าเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหถ้าคาดคันเองแล้วมันก็จะไม่รวมให้ แต่ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธใช้ไม่ขาดจาจไปพุโทโธเลยนั่นแหละมันแล้วมนันจะรวมเองแล้วไม่ทราบถ้าหวังเงียบๆนะคะตรงนี้ว่าเราทําบุญทําทานไจเรื่อยเนี้ยเนี่ยว่าบารมีจะเพิ่มขึ้นเราจะทำให้เราง่ายขึ้นไ่มถ้าเราหวัองอะไรถ้าทําทานบารมีมันก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องศีลบารมีถ้าถ้าอยากจะได้ภาวนามันต้องมีศีลบารมีด้วยต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องเริ่มเราก็ต้องเริ่มภาวนาไปด้วยไม่ใช่ทําแต่ศีลอย่างเดียวทําแต่ทานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ภาวนา เราอยู่จะให้มันเกิดการภาวนาขึ้นมาไม่ได้มันอาศัยทางสีเป็นเป็นช่วยช่วยสนับสุนแต่เราก็ต้องภาวนาแต่ถ้าเราภาวนาโดยที่ไม่มีทางไม่มีสีนี่มันจะยากกว่าคนที่ภาวนาที่มีมีทางมีสีอยู่แล้วแล้วเวลาถ้าคนไม่มีทางไม่มีสีนี่เวลานั่งภาวนาไปเดี๋ยวคิดถึงเันคิดถึงทองขึ้นมาจะหว่ะ ด้วยตกใจเอ้ยลืมของไว้ตรงไหนนี่นั่งภาวนามไม่ได้นะ mm ่ะกลัวของหายอะไรนี่ถึงต้องไปดูแล้วแต่คนที่เคยทําทานมาแล้วพอคิดถึงแล้วนั้นก็ช่างหวงเงี้ยใครเอาไปได้ก็ถือว่าเป็นการทํายุงทําทานไปแต่มันก็ตัดได้หรือนั่งไปแล้วยุงกัดเนี้ย mm hmm. ถ้าคนไม่มีศีลมันก็ตอบพวมันก็เสียสมาธิแหละยังไม่ตกแต่เราต้องก <c oughs> ัดแล้วม่นงคันเราไงกล่าวได้ ก็ปล่อยมันไปไงปล่อยคนที่มีคนที่มีศีลก็ยอมเจ็บยอมทนได้ก็นั่งต่อไปได้ไม่ต้องมางงกังวลกับเีื่งยุ ง, ยงกัดอะไรต่างมันต่างกันที่เพียงจะพูดเจียบๆไม่ต่างกังคนที่มีทานมันก็จะทำให้รักษาศีลง่ายคนที่มีศีลมันก็จะทำให้ภาวนาง่ายคนที่มีภาวนาคือมีสมาธิก็จะทำให้สลานปัญญาง่า จะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสจะรู้ว่าอะไรไม่ใช่กิเลสเพราะการการใช้ปัญญาก็คือการแยกแยะสิ่งที่เป็นกิเลสออกจากสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสว่าในใจเรามันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราต้องกำจัดมันออกไปทิ้งให้แต่สิ่งที่ดีไว้พ่าันที่ที่ปกเของให้ลูก มาขออนุญาตถ่ายรูปผิ้ติดท่านจันท์ไปรงหน้าปกนะแหน่ทีลายาฉลาลาดีฉลาด้วลูกเขาบอกมาลาไม่มา่ยลือแลวไปถายที่ตลาถ้าถ้ขอแล้วขอการถ่ายท่าจานทร์ไปเกลือเพราะลูกเรือเขาไม่ต้างหรวกเขาไม่ได้ขอแล้วเขาไม่ได้ขอแค่ี่ฉลาขอแค่เพือควาถือ รูปรูปเรายังไม่ต้องอ <c oughs> แต่ความจริงรูปสารานี่เราก็มีอยู่ในเว็บไซต์น ะ, ะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้คุณสุมเมศได้คุณสุมเมศก็ เ, เปิดดูเปอถ้าชอบรูปนั้นก็สามารถที่จะแต่จะไปจะไปถ่ายทั้งนี้ก็จะถ่าได้เพราจะเตรียมพิมพ์แล้วเลยนึกถึงถึงรูปอ่ะเขาบอกเขาจะพิมพ์หนังสืออะไร่มันะเตรียมทำหน้าปก เันไม่ได้คุยในอีกว่าเขาจะพิดว่าอะไรก็ไม่พูดให้ไที่สุดเพกาะว่าลอมาเดือนหน้าประชาเตือนไปก็ไปเวลาไปไปภาวนากันลางก็ไปตาอาจารไปพักอยู่ว่าไม่ได้พักส่วนใหญ่กวตาตาท่านตาคงกาเนี่ครับ ส่วนใหญ่จะภาวนาไปด้วยส่วนใหญ่จะเอาแค่ทานสีสังเทศฟังธรอยู่ระดับล่างๆอยู่นะยังไม่ยังไม่เข้าสู่สนามภาวนายังยังไม่ได้อันนี้มันต้องเป็นบุญเก่าด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็บุญเก่าบุญใหม่เนี่ยสะสมลงไปถ้าเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงจุดมันก็จะมันก็จะภาวนาได้ เราก็ต้องพยายามทำไปด้วยอย่างน้อยวันหนึ่งคนควรจะมีโอกาสได้ทำทั้2สองครั้งก็ได้ดิเช้าครัง้งเย็นค<ม>ั้งถ้าไม่ทำเลยมันก็จะยากถ้าเราทำไปเรื่อยๆมักงมก็จะได้เนว่าเราเราฝึกไปก่อนอย่าไปหวังว่าให้ถึงเวลาปรับแล้วทำแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนี้มันไม่มีทางมันต้องค่อยๆเริ่มไป ในตอนเด็กเนี่ยอยู่ๆจะให้มันเดินยืนขึ้นไปแล้ววิ่งเลยไม่ได้หรอกมันก็ต้องขัดคานไปก่อนการหัดยืนหัดเดินไปก่อนแล้วถึงจะวิ่งได้การภาวนาก็ต้องน้มลุกขุดคานไปก่อนอย่างน้อยก็คือตื่นขึ้นมาเช้านี้นอนสักครึ่งชั่วโมงก่อนจะนอนก็สักครึ่งชั่วโมงเอะไรต่างๆไปเพรต่อไปมันจะมีมันจะเริ่มมีเป็นนิสัยขึ้นมา ถ้ไม่ทำอะไรแล้วอยู่ๆจะให้มันทำมันไม่ทำหรอกเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราก่อนที่เราจะพรนะครเราก็อ่านหนังสืออยู่เยอะอ่านมีหลายเดือนด้วยกันจนถ้าอ่านเรื่องภาวนาเนี่ยนะอ่านเรื่องปัญญาอ่านเรื่องสติเรื่องอะไรแต่วันหนึงมันถามตัวเองไม่ยังไม่เคยนั่งภาวนาะไ <c oughs> ม่แต่อ่าน <c oughs> ก็เลยเอามันตรงนั้นเลย <c oughs> อ่าพอได้ว่า การอ่านหนังสือการฟังเทศฟังธรรมแล้วเหมือนมอนก็พาเราไปสู่ตรงจุดนั้นอ่ะมันต้องพาเราไปสู่การภาวนาในที่สุดเหมือกับเตรียมกับข้าวไว้ก็เพื่อพาไปสู่การกินนึงอ่ะถ้าไปตลาดไปซื้อกับข้มกับข้าวมามาหุงหามาจัดมาทํามาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็จุดธูปเทียนไหว้แล้วไม่กินนี่เหมือนกันสียเท่าเปล่าใช่ไห ม, มันต้องกินมันถึงเวลาแล้วมันต้องกิน ภาวานาที่ก็เป็นเหมือนการกินธรรมะคือนี้ครับตอนกลางคือถึง แ, แม้กระทั้งหลับก็จะเปิดยุขององศาไว้นะคะทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยถึงก็หลับไปแล้วก็อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นการ อ, อตรมจิตเราได้ไ่มคะมันได้มันจะมันฟังได้สองแบบฟังแบบลิ้นกับลิ้นกับแกงหรือฟังฟังแบบทัพีกับหม้อแกง บ่อยไปทั้งวันแต่ใจมันไม่ได้ซึมซาบกับสิ่งที่มันเปิดแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเปิดเพียงแม้กทั่งเพียงแค่วินาทีหนึ่งแล้วเข้าใจความหมายเกิดปัญญาขึ้นมาปล่อยวางได้อนี้จะมีคุณค่ากว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาที่เราเปิดฟังมันมันอยู่ที่ว่าเวลาเปิดฟังแล้วเราฟังจริงๆหรือเปล่าเราจดจอ่อเราฟังเราได้เข้าใจความหมายนะหรือเปล่า แต่ถ้าเรียบเที่ว่าถ้าเราต้องเปิดแบบเป็นแบกกลาวเปิดเพลงกับเปิดธรรมะก็เปิดธรรมะยังดีกว่าเปิดเพลงอย่างน้อยถ้าเกิดมีมีสติช่วงไหนเกิดฟังตอนนั้นแล้วเกิดสะดุดใจขึ้นมาก็าอาจจะได้เสกจากธรรมะแต่ถ้าเปิดเพลงมันก็จะไม่มีธรรมะอยู่เลยมันก็ทำไม่ได้ของเราเนื้อหลุนตาฉันเน้นเนื้อปฏิเสธ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 อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติอยู่ก็รฟังให้มันอยู่กับปัจจุบันเราอยู่ที่นี่เราอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของของกายวาจาใจแต่จะเท่ากันไหมคะถ้าเราใช้พูทโธให้ติดกระจายกับเราฟังเรื่องด้วยแต่ว่าเราพุทโธไปด้วย ไ, ได้ก็อยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่เราที่ว่ามันฟังเรื่องหรือเปล่าแต่สําหรับเราเราคิดว่ามันจะสับสนไปหน่อยจะ ฟังร้อยทั้งร้อยมันจะดีกว่าฟังแล้วก็พูดโทรไปด้วยแล้วอย่างไงี้ยครับรถนี้ใครบอกเบรคขับอยู่หรือว่าเราพูดโทรไปเรื่อยเงี้ยคือไม่ต้องบอกว่าเบรคขับแล้วพียงแต่รู้ว่าขับรู้ว่าต้องเบรครู้ว่าต้องเหยียบน้ำมันรูต้ต้องต้องทําอะไรมไม่ใช่ว่าเราขับรถไปลราคุยกันไปสนุกสนานอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับงานที่เราทําอยู่คือพยายามทําอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอย่าไปทไําหลายๆอย่างพร้อมๆกัน ยกเว้นในกรณีที่มันจำเป็นก็ต้องทำเช่นขับรถมันจะก็ไม่ได้อยู่ที่คลวงอะไรอย่างเดียวก็อยู่ที่คลวงเวลาอยู่ที่เบรกอยู่ที่อะไรพร้อมกันหมดก็ต้องให้มันอยู่ในกับเิ่งนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆที่รู้อยู่ขับไม่ต้องดีเทลขนาดว่าคล้ายกำลังอะไรนี่ไม่ต้องขนาดต้องไปทุกครั้งต้องไวเพ่งทุกครั้งไม่จำเป็นก็ไม่เข้าใจว่าคนบอกว่าต้องอยู่ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นหรอก คือให้มันอยู่กับกับเนืหลักเหตุการณ์นั้นเองรายละเอียดของการปฏิบัตินี้ของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะแต่ละคนบางคนก็อาจจะต้องการให้มันแบบกระลุ้เหมือนพวงอะไรยกระลุ้บ ก, ก็ได้แต่อย่าทำมันในลักษณะแบบกลายเป็นหุ่นยนต์ไปคือหมายถึงว่าทําเป็นเจตเจต ก, กะก ะ, กะไปมันต้องเป็นธรรมชาติ จิตเราสามารถรู้ทันการเคลื่อนไหวของเท้าได้เหมือนคนที่เดินยองกลงหัดเดินเหมือนกับคนหัดเดินนี้มันก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติละยกเก้าวางยกเก้าวางเหมือนกับคนหัดเดินเนี่ยเวลามันไม่ต้องช้าขนาดนะั้นก็เดินตามธรรมดาของเราแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าเราได้คือไม่ให้ใจจิตเราส่งจิตไปเรื่องนู้นเรื่อง น, น, นี้เรื่องนู้นเรื่องนี้เท่านั้นให้อยู่กับ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 เมื่อมีสติแล้วพอไปนั่งทำภาวนานั่งทําสมาธิมันก็จะรวมลงนะคนที่นั่รวมลวงนะก็แสดงว่าเขามีสติอยู่แล้วสติของควลรานี้มีไม่เท่ากันเชื่อไห ม, มคนที่มีสตินอนกัพวกที่เสียสติ<ม><ม>พวกที่ไปอยู่โรงพยาบาลพคนนั้นเขาก็คนที่เรียนหนังสือได้ระดับหนึน<ม>่งก็มีสติอยู่ระดับหนึน่งคนที่เรียนระดับถูงขึ้นไปเป็นระดับปัญญา โทรเอกนี่เขาต้องมีสติมากเขาถึงจะสามารถดูอ่านหนังสือได้เป็นระยะเวลายาวนานเป็นหลายหลายปีนร่ต่างคนที่ไม่มีสตินี่บางทีจบมสามก็เรียนไม่ไหวละสติสางแต่ละคนนีพัฒนามาไม่เท่าเียกันถ้าพัฒนามากก็จะสามารถที่จะมีปัญญามากมีสมาธิมากนไปเรืย่ย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 ใครจะให้เงินมาแสนหนึ่งก็ไม่อยากจะได้พอมาแล้วก็เป็นความทุกข์ต้องมาดูแลรักษาเหมือนต่างบัรใช่หให้มีมันแล้วก็อยู่ได้ถ้าเป็นพระนะยถ้าเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ละเรื่องของควา ม, ม, ม, มวจาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทอง <c oughs> วัหลังเราเนั้นรู้ว่าถ้าจะถวายก็ให้ฝากไว้กั บ, บระยะเวาเจ้ก่อน ก็ต้องการอะไรก็สั่งเข้าไปอยากไปทําอะไรก็สั่งเขาอยากไป ท, ปทําบุญทำทานอะไรก็สั่งเข้าไปทําแต่ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติของตนเองเพราะไม่จําเป็นมีแล้วมีจะมีแต่ความทุกข์ตามมามีเงินเท่านี้ไม่ดีก็ถูกโจวนผู้ร้ายมามาปล้นมาฆ่าแต่ก็ยังอยากจะมีกันนะ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 ก็ต้องมีไว้บ้างแต่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่ามีแบบจนกระทั่งมันเกินเหตุเกินผลมีไว้เพื่อใช้ตามจุดประสงค์ของเราเอสเราอยากจะมีเงินไว้สักก้อนเวลาจะได้ปฏิบัติทําได้เราไม่ต้องทํางานก็ต้องตอนนี้ก็ต้องสะสมเงินก้อนนั้นไว้ก่อนเมื่อ ไ, ได้แล้วเราก็ออกจ่ายงานเปลี่ยนจากงานจากทางโลกมาเป็นงานทางธรรมะมาภาวานาแทนแล้วเอาใช้เงินก้อนนั้นมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่า คาข้าค่ า, าอาหารแต่แต่แตยาวไปใช้ส่ายตมกำลังความอยากของกิเลสเดี๋ยวมันจะไม่พอคือต้องตัดหมดแล้วเรื่องกิเลสถ้าจะปฏิบัติธรรมไม่ไม่เอาเงินนี้ไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วอยู่ที่วัดอย่างเดียวอาวอนาอย่างเดียวทำกิจในวัดแบบนี้ จะเจริญในทางเพิ่ไปเรื่อยๆคุณมันนี้นอาจจะอยู่ไกลเกินเอื้อมสมายก็ไม่รู้ก็ <c oughs> คิดให้รู้ว่าเป้าหวานมันจะเป็นยังไงถ้า <c oughs> อยากจะเจริญเต้าหน้าก็ต้องไปทางนีน้ถ้ายังไปไม่ได้ก็รักษาสิ้นไว้กันแล้วกันอยเป็นสิดสิห้า แล้วก็มีเงินทองหรือใช้ก็ไปทำบุญแตาทำบึงในลักษณะไหนก็ได้ทำกับพารก็ได้ทำกับเด็กสมพระก็ได้ทำกับขอทานก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับญาติพี่น้องเพืนสก็ได้แล้วแต่ตามจำเป็นแล้วแต่กรอไม่เสียใจอยู่กับเนื้นาบุญหรอคะก็อย่างที่บอกถ้าทำาเนื้อนาบุญก็ได้บุญเยอะแยะ ถึงบอกว่าเนี่ยเราถึงไม่ชอบไปทา ก, กันเนื้อนาบุญกันแ ล, กแล้วก็มาบ่นว่าเราไม่ <c oughs> ไม่มีมูลนิธิไว้คอยดูแลคนอยากป <จน S 2> เากาป็นคน่นมเอนต้งหวังอย่้แล้วเห็น่ตัได้บุญเยอะ <c oughs> ม่อยากได้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปทากันเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญท่าก็ไปทาแทนเราใช่มพ้ท่านก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไว้หรอกท่านก็ไปสงข้อเรก่ อย่าไม่มีใครถามนวันนี้อ่าเห็นดรเจนนี่บอกว่าท่านอาจารย์สามารถช่วยชี้แนะจากจากงานางางได้ด้วย่ะคือเขาต้องไปทํามาหัดอินอินโดแล้วค่ะแล้วก็ต้องไปทุกเดือนทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะไปต่อไปเรื่อยๆไหมนะคะก็จะจะไปแล้วมันจะได้ไตลาดาไหมเจ้กค่ะคือจะเดิน น like like ี่ไม่ใช่ปัญหาธรรมะแต่มันก็ลิง์ธรรมะได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัจจัยเราก็ยังสามารถมาถวายแต่โลกโลกนี้มันโลกไม่เที่ยงงอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะดีไปเรื่อยก็ได้หรือมันอาจจะอยู่คงที่ก็ได้หรือมันอาจจะเสื่อมลงก็ได้ต้องพิจารณาแบบนี้ถึยจดเป็นปัญญาแต่ถ้าพิจารณาว่าจะต้องเจริญไปอย่างเดียวนี่เรื่องเป็น กิเลสละเป็นความโลภละเพราะความติดมันไม่แน่นอนเสมอไปตุการในโลกเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการปลื่นแต่ครั้งไปในทางที่ดีก็มีทางไปในทางที่เร่ร่ายก็ดีหรือเปเป็นในทางที่ชฉ่อๆไม่เร่ร้ายไม่ไม่ดีก็ดีนี่คือปัญญาเราต้องยอมต้องต้องยอมรับความติดอันนี้แล้วเราต้องทำเผื่อไว้ไงแล้วก็แล้วก็หวังว่ามันจะเจริญแต่ถ้ามันไม่เจริญก็ อย่างน้อยก็อย่าให้มันเสื่อมก็แล้วกันก็ยกังดีแต่ถ้าเสื่อมก็คอใมันเสื่อมน้อยก็แล้วกันหรือถ้ามันจะเสื่อมจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็อ น, นัตตาเราก็ไปบังคับมันไม่ได้แล้วก็อย่าไปหวังไปพึ่งอะไรจากมันมากเกินไปพยายามใช้น้อยๆแล้วเราจะไม่มีความเดือดร้อนกับการแสวงหาอะมากมากถ้าใช้มากก็ต้องเดือดร้อนมากกับการ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 ท่านมีญาณท่านมีปัญญาท่านมีประสบะการณ์ท่านเห็นคนแบบนี้ลักษณะนี้รู้แล้วว่ามันจะต้องไปเสมอพวกเราก็พอจะรู้เราเห็นคนขอทานมาแล้วก็รู้ว่าไอา้นี่ขอทานใช่ไหแล้วก็มีปัญญาระดับหนึ่งล้วก็รู้ว่าขอทานมันอนาคตมันก็คงจะไปไม่ถึงไหนหแล้วก็มีเหมือนกันคือแต่ เ, เรามีมากมานกีน้อยต่างกัน ว่าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเยอะท่านมีปัญญาเยอะท่านก็จะรู้เยอะอย่างพระพุทธเจ้านี่รู้รู้ก่รู้ถึงเรื่องของศาสนาว่าจะอยู่ได้นานสักิี่ตีก็เห็นเยอะก็เห็นเยอะสองกาเลยก็เห็นตามฐานะของเราทุกคนก็มีความสามารถที่จะมองเห็นได้ <Yeah. S 2> เป็นใจญาตเห็นไกลเลยเห็นใกลกก้ของกายคนที่มีสายตากายเป็นสมองไปได้ไกายลคนที่มีสายตามใกล้สมองได้กล <Yeah. S 2> ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางด้านปัญญาตลอดการทำบุญให้ทานรักษาสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาเลยปัญญามันจะต้องเกิดจากการศึกษาจากการได้ยินเชกิดจากการวิเคราะห์และเกิดจากการภาวนา ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นการได้ยินได้ฟังก็เกิดสัญญาระดับหนึ่งวันนี้เรามาฟังนี้เราก็ได้ได้ได้ความรู้ไปในระดับนี้ถ้าเราเอาไปเอาไปพัฒนาต่อเอาไปคิดปพิจจาณะมันก็จะขยายตัวขึ้นไปแล้วถ้าเอาไปใช้ในการปฏิบัติมันก็จะยิ่งเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปใหญ ปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์นี่มันเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาทางคิดมันยังเป็นทฤษฎีอยูมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เช่นเราคิดว่าเราจะไปลงทุนที่อินโดนีเซียจะต้องได้เพิ่มอยู่ 20% จะไ ด, ได้แต่ยังไม่รู้มันจะได้ไหมก็ต้องเอาไปปฏิบัติเลยแลปฏิบัติแล้วได้แเราก็รู้ว่าออทําอย่างนี้แบบนี้เราจะต้องได้นั่นก็เป็นความ้ที่มัน มันชัดเจนกว่าเพรนปัญญามันก็มีหลายหลายแบบหลายระดับด้วยกันส่วนส่วนก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาก่อนหรือคิดเองคิดอ่านเองนี่ว่ า, าทำโครงการนี่ดีไหมไปทําดาวเทียมดีไหมต่อไปจะได้สักเท่าไหร่คิดว่าดีก็ไปทําแล้วเนี่ยก็ได้มาขายหุ้นจนได้เนระยะ พอมีประสบะการณ์แล้วทีนี้ก็ก็จะได้รู้ว่าเออต่อไปจะทําอะไรทําแบบไหนยังไงก็จะมีความมั่นใจ mm hmm. แต่ถ้าไม่มีประสบะการณ์เลยทําก็ยังจะไม่มั่นใจ mm hmm. เท่าไหร่ดงนั้นปัญญาที่เกิดจากการประสบประสบการณ์เนี่ยมันเป็นปัญญาที่ที่ทําให้เรามีความแน่วแ น, น่มีความมั่นใจมันก็รู้จริงเห็นจริงข mm hmm. องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสลู สามารถดับสิเลตได้หมดแล้วก็มีความมั่นใจในกาสรสอนวิธีดับสิเลตให้กับผู้อื่นสอนกี่ครั้งก็ไม่ผิดพลาดเพราะไม่ได้เป็นสอนมาจากความจำถ้าเราไปจำอะไรมาเลี่ยงบางทีเราสอนผิดผิดผิดดได้ํำผิดจำถูกได้แต่ถ้าเคยเคยมีประสบการณ์แล้วมันจะไม่มไม่ผิดพลาดเหมือนกับเคยเดินทางมาที่นี่แล้วจะบอกใครกี่ร้อยครั้งก็จะบอกเขาถูก ถ้าถ้ามาด้วยสตินะถ้ามาแบบไม่มีสตินั่งหลับมาในรถนี้ก็ก็เหมือนกับไม่ได้มาเองก็ <c oughs> ไม่มีประสบะการณ์อย่างนี้เลยบอกใครก็ยังบอกผิดผิดทุกทุอย่แต่ถ้าเรามาเองขับรถมาเองหาทางมาเองเรารู้จักทางแล้วทีนี้จะ บ, บอกใครกี่ครั้งมันก็จะเบรกได้ไม่ผิดพลาด <c oughs> เอาแนะ่นอนนี่ ที่ทำให้พอเนียต้องถวของเได้ของมาอยากจะถาอยถายได้ะได้ยค่ะไถายพวกชีเองได้ไคะได้คลยค่อันนี้ถวาแล้วต้องถาใครในสืบบัตรต้องาว่าอุ่นว่างว่าจะเฉลยถอาทำให่นี่ใสกนแล้วกัน อันนี้เป็นอะไรตักค้าท่านอาจารย์ยาคุณประสิทธิ์ยาจะถวายก็ได้จะวางไว้ก็ได้ตามใจว้ก็ได้บานอท่านจะรู้ทันไหนถวายองนี้ไม่ได้นะัจเนี่ยวน็ดไว้ที่ไหนเดี๋ยวจะใส่ชใส่ชองก้อนอเดี๋ยวลราก็มมีมั้อันนี้ขต้องถวยเป็นยาแล้วเป็นอาหารเป็นลูกชิค่ะ เลบะเดงกินลูกปิ๊กคืออะไรอ่ะไม่เดือะไม่ปิ๊กอ่ะใช่ไหมท่เราเห็นทางช่องซองนะรู้สิดเลย